บทนี้ได้กล่าวถึงบรรดามุมินผู้ศรัทธาผู้ยำเกรงและกล่าวถึงสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงจัดเตรียมให้แก่พวกเขาซึ่งคุณงามความดีและเกียรติยศอย่างมากมายบทนี้จบลงด้วยการชี้แจงถึงสาเหตุที่ทําให้พวกปฏิเสธศรัทธาไม่ยอมเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ผู้ทรงเอกะผู้ทรงพิทธิ์คือการฝ่าฝืนละเมิดและการกระทําความชั่วบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอวัลมุรสะลาติอัรฟาขอสาบานต่อลมที่พัดต่อเนื่องกันอัลอาซิฟาติอัศฟาขอสาบานต่อลมพายุที่พัดกระหน่ำอย่างแรงวันนาชิราตินัชรอ ขอสาบานต่อมาลาอิกะฮ์ที่อุ้มเมฆฝนอัลฟาริเกาตฟัฏฟาขอสาบานต่อมาลาอิกะฮ์ที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จอัลมุลกียะติลิกเราะขอสาบานต่อมาลาอิกะฮ์ที่นำมามอบแก่บรรดานบีอุดรอนอาวนุซรอด้วยการให้เหตุผลและการเตือนสัมทับอินนะมาตูอะดูนาลาวากิอ แท้จริงสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อดวงดาวถูกทำให้ดับแสงและเมื่อชั้นฟ้าถูกแยกออกและเมื่อภูเขาถูกแตกออกเป็นผุยผงและเมื่อรุสูลถูกถูกให้ในวันใดที่ถูกเลื่อนวันฟัซล และเมื่อบรรดาศาสนทูตถูกรวมไว้ตามเวลาที่กำหนดสำหรับวันไหนเล่าที่พวกเขาบรรดาศาสนทูตถูกเลื่อนออกไปสำหรับวันแห่งการตัดสินวะนาอะดรอกะมายอมุลฟัศลและอันใดเล่าทําให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตัดสินคืออะไรวัยลุยยอมอิดิลลิลมุกัซซิบิน ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธอัลลัมนุห์ลิกิลอวลีน เราไม่ได้ทำลายชนชาติรุ่นก่อนๆหรอกหลือทุมมะนุตบิอูฮุมุลอาคิรินหลังจากนั้นเราได้ทำให้ชนชาติรุ่นหลังๆปฏิบัติตามพวกเขาฉะดาลิกนัฟอลูบิลมุจริมีนเช่นนั่นแหละเราได้ปฏิบัติแก่บรรดาอาชญากรไวลอยะยอมอิดิลลิลมุกัซซิบีน ความหายนะในวันนั้นจงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธอัลลัมนาคฮลุกกุมมิมมาอ์มะฮีนเราไม่ได้สร้างเจ้าจากน้ําที่ต่ําต้อยอสุจิดอกหรือและเราได้เข้าไปอยู่ในที่อันมั่นคงหมดลูกอีลากอดรินมะอ์ลูม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 احيا او وامواتا ทั้งคนเป็นและคนตาย وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء انفرات لنا اي พันดินเราได้ทําให้ภูเขาสูงตระหง่านและเราได้ให้พวกเจ้าดื่มน้ําจืดสนิท ويل يومئذ للمكذبين ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธยูตอลิกูอิลามากุนตุบิฮิตุกะซิบูจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่าพวกเจ้าจงออกเดินไปยังที่พวกเจ้าเคยปฏิเสธยูตอลิกูอิลาฎิลลินซีตะลาติชะอับจงออกเดินไปยังเงาควัน 3 แฉกลาบะรีลวะลายุกนีมินัลละฮะบะ มันไม่ทําให้เกิดร่มและไม่ช่วยให้พ้นจากเปลวไฟได้อินนะฮาตัมมีบิชารรินกัลกอศรแท้จริงมันจะพ่นประกายออกมามีขนาดเท่าป้อมประกาศกระอันนะฮูจิมาละซุฟรัสประหนึ่งประกายนั้นมันเป็นอูดสีเหลืองเข้มวายลุยยามอิดลิลมุกัซซิบีน ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธฮาดายอมูลายันติกุนนี่คือวันที่พวกเขาจะไม่สามารถพูดออกมาได้วะลายูซะลุละฮัมฟะยอตะซิรุนและจะไม่เปิดโอกาสให้พวกเขา เพื่อแก้ตัวไอยลุยยอมอิบิลลิลมุกัซซิบินและความหยานะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธฮาซายอมุลฟัศลจะมะอ์นากุมวัลเอาวัลีนนี่คือวันแห่งการตัดสินเราได้รวมพวกเจ้าไว้กับประชาชาติรุ่นก่อนๆแทอิงกานะละกุมไคดุนฟะกีดูน ดังนั้นพวกเจ้ามีอุบายอันใดก็จงวางแผนต่อข้าเถอะความหายนะในวันนั้นจงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธอินนัลมุตตะกีนฟีซิลาล แท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงจะอยู่ท่ามกลางร่มเงาและน้ำพุวะซะวาคิฮะมิมมายัชตะฮูนและผลไม้ตามที่พวกเขาต้องการกูลูวะชรบูฮะนีอ์บิมากุนตุมตัมมะลูนพวกเจ้าจงกินจงดื่มอย่างสบายใจตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เถิดอินนะกะซะดะลิกะนัจซิลมุห์ซินีนแท้จริงเช่นนั้นแหละ เราจะตอบแทนผู้กระทำความดีทั้งหลายไวลุยยามาดิลลิลมุกัซซิบีนความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธกูลูวะตัมตะอูกะลีลันอินนุกุมมุจริมูนพวกเจ้าจงกินและรื่นรมย์เพียงเล็กน้อย แท้จริงพวกเจ้านั้นเป็นพวกอาดอยากก่อนวายลุยยอมอิดิลลิลมุกัซซิบีนความหยาน่าในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธวะอิดากีละละฮุมอุกะอูลายัระกออูนไม่ได้กล่าวแก่พวกเขาว่าจงรู้กลัวพวกเขาก็จะไม่รู้กลัววายลุยยอมอิดิลลิลมุกัซซิบีน